ตอนนี้เราก็ขึ้นปีใหม่แล้วและวันนี้ก็เป็นวันแรกของปีที่จริงวันนี้กับเมื่อวานก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าสหรับผู้คนส่วนใหญ่วันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะเพราะว่ามันคือวันแรกของปีใหม่เมื่อเราให้ความหมายเช่นนี้เนี่ยแล้วก็เป็นความหมายที่ดี ในความรู้สึกของเราเราก็ควรจะใช้ประโยชน์จากความหมายที่ว่าในเมื่อวันนี้เป็นวันแรกของปีก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ว่านี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เริ่มต้นปีแต่มันมาถึงเริ่มต้นชีวิตให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ใหม่ใหม่กว่า ชีวิตในปีที่ผ่านม า, าการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยมันมีความหมายอยู่2แง่นะในแง่เนี้็คือว่าการที่เราไม่ยอมให้เหตุการณ์ในอดีตเนีมันมาค้างคาใจเราอีกต่อไปเมื่อเรานับหนึ่งก็หมายความว่าข้างหลังเราเนี่ยคือศนนะ ก็หมายความว่าเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอามาค้างขาดใจหรือให้มันตกค้างในจิตใจของเราอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเลยไม่เก็บเอามาเป็นเครื่องกังวลหรือว่าบีบคั้นใจหรือสร้างความหนัก อ, อกหนักใจให้ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยจึงจะเรียกว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเริ่มต้นใหม่ อีสิผามาเราอา จ, จะทำสิ่งที่ไม่ดีหรือทำความผิดพลาดหรือมีบางคนนะที่ทำไม่ดีกับเราถ้าเราเก็บเอามาคิดเก็บเอามาแบกเอาไว้นะมันก็ไม่เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่และใจเราก็จะไม่ใช่เป็นใจที่ใหม่เลยปีใหม่ทั้งทีนะก็จะให้มันใหม่แต่ปีนะอย่างน้อยๆก็ให้ใจเราใหม่ใหม่ก็หมายความว่าสะอาดเอี่ยม เพราะอะไรเพราะว่าชำระสิ่งสกรปรกสิ่งที่ทำความหมองมัวให้รถเราเนี่ยก็เป็นรถที่ใหม่ได้ถ้าว่าเรารู้จักล้างนะคราบสกรปรกออกไปพอเราทําความสะอาดเสร็จมันก็เหมือนกับเป็นรถที่ใหม่บ้านก็เหมือนกันนะเมื่อเราทําความสะอาดเอาสิ่งสกรปรกออกไปมันก็เหมือนกับเป็นบ้านที่ใหม่ ปีใหม่ทั้งทีเนี่ยก็ให้ใจเราใหม่ไปด้วยใหม่เพราะว่าเราชำระคราบใครหรือว่าสิ่งที่ทำความหม่นหมองแปดเพื่อออกไปสิ่งนั้นคืออะไรก็คืออารมณ์ที่เป็น อ, อกุศลความเศร้าความโกรธความคับแค้นความกัดกลุมความวิตกซึ่งโลละ แ, แต่เป็นเรื่องที่ตกค้างมาจากอดีต จากปีที่ผ่านมาเราเก็บเอามาคิดคิดแล้วมันก็สร้างความรุ่มร้อนใจเราแบกเอาไว้แบกเไว้มันก็เลยสร้างความหนักอกหนักใจหรือบางทีก็หยิบมาทิ่มแทงใจของเราถ้าเรายังทําอย่างนี้นะมันก็ไมไ่แปลว่าเราเริ่มต้นใหม่แล้วล่ะเรายังซ้ํารอยเดิมการที่ปล่อยให้เหตุการณ์ที่ไม่ดีในอดีตในปีที่ผ่านมามันผ่านเลยไปพร้อมกับปีเนี่ย ไม่ได้ไหมายความว่าเราพยายามลืมมันนะเราลืมมันไม่ได้แล้วยิ่งพยายามลืมมันก็ยิ่งกลับจดจำหรือยิ่งกลับขุดโผล่ขึ้นมาในความรับรู้ของเรามันมีวิธีดีดดกว่านั้นเราก็ได้ผลนะ ก, การที่เรามีสติรู้ทันเวลาใจมันวนคิดไปถึงเรื่องราวในอดีต ด, ด้วยความลุ่มหลงหรือด้วย ความอาลัยหรือที่ความขุนมม่อย่างที่พิ่าอดตรัสสอนวันเนี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยมันเผอคิดไปก็รู้รู้แล้วก็จะวางได้นอกจากสติแล้วเนี่ยทำบางอย่างก็ช่วยได้ดีนะเช่นเราโกรธใครหรือแม้จะโกรธตัวเองเนี่ยต้องรู้จักให้อภัย การให้อภัยผู้อื่นการให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้การปล่อยวางเกิดขึ้นได้หรือทำให้เหตุการณ์ในเดียรมันไม่มารบกวนจิตใจเราเราอาจจะทำสิ่งไม่ดีบางอย่างกับคนที่เรารักหรือเราจะผิดพลาดบางอย่างที่ทำให้เราเสียใจหรือโกรธตัวเองท้วยกาให้อภัยบ้าง หรือใครทําไม่ดีกับเราไม่ว่าโดยการกระทำหรือคําพูดนะเราก็ให้อภัยไปอยา่ามีการเรื่องวิวาทบาทมางเกิดขึ้นก็ให้มันผ่านเลยไปแล้วอีกสิ่งที่ช่วยทำให้มันผ่านเลยไปได้ก็คือการที่เรารู้จักหาบทเรียนจากมันเมื่อเราทําอะไรผิดพลาดแล้วเราเสียใจเราตีอกชคหัวตัวเองว่าไม่น่าเลยไม่น่าทําเลย แม้มันจะปล่อยวางได้ยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหาบทเรียนจากมันได้มันก็ช่วยทำให้เราวางมันลงได้ทุกอย่างแม้จะเป็นความผิดพลาดแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้วายมันก็ให้บทเรียนกับเราเสมอสิ่งที่เราลึกว่าเป็นความขาดทุนน่แต่พอเราได้บทเรียนนี่มันก็สามารถจะกลายเป็นกําไรได้ พอเรามองว่าเราได้อะไรบางอย่างจากเหตุการณ์ที่เลวร้วายเราก็พร้อมที่จะปล่อยมันออกไปจากใจได้เริ่มต้นปีใหม่เราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีเก่าดยเพราะสิ่งที่มันเป็นความไม่ดีความผิดพลาดีนี้พอจัดการกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ปล่อยให้มันเป็นศูนย์เพื่อที่เราจะได้นับหนึ่งใหม่เราก็ต้องนับหนึ่งอย่างถูกต้องนะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกความหมายหนึงก็คือการที่เราเริ่มที่จะทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะว่าปีใหม่ดีได้เนี่ยมันอยู่ที่เรามันไม่ที่กระแสะโลก ไม่ได้ที่เหตุการณ์บ้านเมืองมากเท่ากับว่าเราทำดีหรือไม่และมีสิ่งใหม่ๆแล้วก็ดีๆอีกหลายอย่างที่เราน่าจะทำเริ่มต้นเจอแต่วันนี้ก็จะเป็นการทําดีพูดดีหรือการคิดดีการฝึกใจให้ดีอันนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทำดีพูดดีคิดดีมันก็เป็นการสร้างกุศลในใจหรือผู้ย่างก็คือทำให้ใจเราสะอาดเอี่ยมมากขึ้นลองคิดดูว่าเนี่ยปีนี้เราจะทาอะไรที่ดีขึ้นหรือดีกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเช่นการดูแลสุขภาพดูแลร่างกายด้วยการกินอย่างถูกต้อง รู้จักคุมอาหารไม่ตามใจปากหรือว่าการออกกำลังกายหรือว่าการมีวินัยในการดำเนินชีวิตเคยนอนดึกตื่นสายก็ามานอนเร็วขึ้นแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นหรือวก่าการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีแม้ว่าจะไม่ผิดศีลแต่ว่ามันทำให้ชีวิตเราเป็นทุกข์อบายมุขบางอย่างมันทำให้เราเสียเวลามันบั่นทอนสุขภาพ เราก็ตั้งใจว่าปีนี้เราจะลดหรือว่าเลิก ต, ตั้งใจไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมีน้ำใจต่อเพื่อนบ้านมากขึ้นรวมทั้งการพูดดีแทนที่จะชอบบน่นชอบว่าบั่นทอนจิตใจของคนใกล้ตัวเราก็พูดจาให้กำลังใจที่เคยวิจารณ อยู่เป็นอา จ, จินแล้วก็มาชมมากขึ้นนะบางทีงก็หลุดปากพั้งไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็พยายามที่จะมีสติในการพูดคุยในการเอ่ยเอื่อนมากขึ้นรวมทั้งฝึกจิตให้ดีนะฝึกจิตให้มีคุณภาพใหม่มีสติมากขึ้นบางคนอาจจะใช้วิธีการสวดมนต์จะทำเป็นอา จ, จิน ไม่ให้ขาดหรือทำสมาธิเจริญสติให้มากขึ้นทั้งในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันอันนี้ลหละนะมันก็เรียกว่าจึงจะเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะมันเป็นการช่วยทาให้ใจเราใหม่ทาให้ชีวิตเราเนี่ยดีกว่าเดิมและสิ่งนี้ในพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเรากำลังสร้างมงคลชีวิตให้กับตัวเอง ไม่ใช่แค่สวดมนต์ข้ามปีแล้วก็จบเท่านั้นไม่ใช่แค่สวดใส่บาตรในวันปีใหม่แล้วก็จบเท่านั้นนะแต่ว่าเราทำตลอดทั้งปีทำดีพูดดีคิดดีทำใจให้ดีมันก็จะทำให้ปีนี้เป็นปีมงคลเป็นปีที่ดีมีหลายคนวิตกนะว่าเนี่ยมีคนทักว่าเนี่ย ปีนี้เป็นปีชงสำหรับเธอนะเดี๋ยวนี้พอขึ้นปีใหม่หลายคนก็จะพูดกันถึงเรื่องปีชงแล้วก็มาดูว่าเป็นปีชงสำหรับฉันไหมอย่างปีนี้ก็อาจจะเป็นปีชงสำหรับคนปีรากาปีนั้นปีนี้ไม่ทันจะเริ่มต้นปีใหม่เลยใจก็หวั่นไหวซะละเพราะว่ามีคนทักว่าหรือมีหมอทักว่านี่เป็นปีชงของฉัน ที่ชงหมายถึงอะไรก็หมายถึงปีที่ไม่ใช่มงคลหรือไม่ใช่เป็นปีมงคลในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีนะปีมงคลหรือว่าปีที่ไม่มงคลเพราะมงคลมันอยู่ที่การกระทําอยู่ที่กรรมนะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสีมงคลเลขมงคลหรือว่าสีอัปมงคลเลขอัปมงคลหรือว่าปีอัปมงคล ถ้าอยาให้เป็นปีมงคลนะก็ทำดีดอย่างะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุคคลทำดีเวลาใดเวลานั้นเป็นเวลาดีเป็นเลือกดีนะเป็นมงคลเลือกดีไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวนะไม่ได้อยู่ที่ชะตา ที่กำหนดเอาไว้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นปีชงหรือไม่มันอยู่ที่การกระทำนะการกระทาถ้าเป็นมงคลเวลานั้นก็เป็นเวลาดีเป็นเลิกดีพระเจาตัดว่าเนี่ยกายกรรมที่ดีคือมงคลสูงสุดว จ, จีกรรมที่ดีคือมงคลสูงสุดมนโนกรรมที่ดีคือมงคลสูงสุดบุคคลทำกายกรรมที่เป็นมงคลสูงสุด ยอมได้รับประโยชน์ที่เป็นมงคลสูงสุดมไม่เกี่ยวกับเลิกไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับว่าปีชงหรือไม่ดงนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องเชื่อในเรื่องของการทำสิ่งที่ม ง, มงคลด้วยการกระทำของตัวเองไม่มาหวั่นไหวกับว่าปีชงหรือไม่หรือถึงไม่ใช่ชาวพุทธนะ เราก็เห็นด้วยตาประจักษ์ด้วยใจนะว่าเมื่อเราทำความดีผลดีก็ยังปรากฏเวลานั้นก็ย่อมเป็นเวลาดีเป็นเลิกดีจริงอยู่นะความจริงอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่าชีวิตคนเราเนี่ยในแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งดีดีเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีสิ่งแย่แย มันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนกับฤดูหรือว่าฝนฟ้าบางทีก็ร้อนบางทีก็ฝนตกบางทีก็มีพายุไม่มีใครที่จะมีชีวิต ท, ที่ราบรื่นไปตลอดทั้งปีมันจะมีเหตุขุกขลักเกิดขึ้นมีความสูญเสียเงินหายรถติด าการประสบอุปสรรคมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเฉพาะปีชงนะแม้ไม่ใช่ปีชงสําหรับหลายคนสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเป็นสิ่งที่แย่เสมอไปจริงอยู่นะการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเราไม่อยากให้เกิดขึ้นความพัดพรากจากสิ่งที่เราที่พอใจเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่มันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ห้ามไม่ได้แต่แม้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวๆเสมอไปบางคนเนี่ยเวลานึกถึงเหตุการณ์ในด็เนี่ยที่เขาบอกปีชงนะมันก็ง่ายนะที่จะเห็นว่าโอ้มีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับฉันที่จริงเรื่องดีก็มีเหตุการณ์ดีๆก็มี แต่พปักใจว่ามันเป็นปีชมก็เลยเจาะจงเห็นแต่เหตุการณ์ที่ไม่ดีแต่เหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยนะถ้ามองดีๆมันอาจจะกลายเป็นเรื่องดีที่ก่อผลดีก็ได้อย่าไปหวั่นกลัวนะให้เหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะแม้ว่ามันดูเหมือนไม่ดีแต่มันอาจจะกลายเป็นดีก็ได้หรือส่งผลดีในเวลาต่อมา ยังมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะก็ทําฟาร์มเขาเลี้ยงสัตว์แล้วเขาก็มีม้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นม้าที่ปราดเปรียวนะแข็งแรงยังหนุ่มับ ก, กันแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็หนีเข้าป่าไปใครๆก็ว่าเนี่ยวันนั้นเป็นวันซวยของครอบครัวนี้เพราะว่าสูญเสียม้าไป ม้าดีด้วยถ้าขายก็ได้ราคาแพงแต่วันต่อมามันก็กลับมาออกจากป่าพร้อมกับมีม้าตัวเมียตามมาด้วยเ<ม>คยๆบอกเออโชคดีนะได้มา้าดีมาเพิ่มอีกตัววันต่อมาลูกชายของเจ้าของฟาร์มพยายามควบขี่ม้าตัวใหม่ พอเป็นม้าป่าต้องขุมให้มันเชื่องบากงคนมันสมบัติเขาตกลงมาจากหลังมา้าขาหักใครๆก็ว่าเนี่ยโอ้ยวยนะวันนี้เป็นวันสวยของไอ้หนุม่มคนนี้ไอ้ที่ได้มา้าตัวใหม่มาไม่ได้เป็นเรื่องดีซะเลยถ้าไม่ได้มาหนุม่มคนนั้นก็คงจะไม่ขาหักจัดท้องสมัมภาต่อมามีพัสดีมาเกณฑ์ทหารจะไปทําศึกสงคราม คนในหมู่บ้านนี่ถูกเกณฑ์ไปรบพุ่งหมดยกเว้นหนุ่มคนที่ขาหักชาวบ้านก็เลยบอกว่าเออเขาโชคดีนะที่ขาหักไม่งั้นเนี่ยต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแล้วก็ไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่าเหตุการณ์ที่ดีๆมันกลับเป็นร้ายแตเหตุการณ์ที่ร้ายกลับกลายเป็นดีไปได้และแม้ว่า บางปีหรือปีนี้อาจจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นจะทำให้ปีนี้เป็นปีที่แย่ไม่จะกลายเป็นปีที่ดีก็ได้เหมือนกับวันแย่ของของหนุ่มคนนั้นที่ขาหักมันกลับกลายเป็นวันดีในเวลาต่อมาเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องไปเป็นทหารซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นตายไร้ดีอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยนะ อยไปหวั่นกลัวนะเหตุการณ์ที่ไม่ดีเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นสิ่งดีในเวลาต่อมาก็ได้มันอยู่ที่เราจะมองมันอย่างไรและจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์หลอนั้นมากกว่านั้นนอกจากการที่เรารู้จักนะหาประโยชน์หรือมองเห็นประโยชน์นะจากสิ่งไม่ดีเพื่อที่ได้เห็นสิ่งดีๆจากมันแล้วเนี่ยเราต้องรู้จัก มองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่แต่ตอนนี้ด้วยการที่จะมองเห็นสิ่งไม่ดีว่ามันมีดีอย่างไรนี่อาจจะยากนะสำหรับคนทั่วไปเพราะเรามักจะมองอะไรเนี่ยชั้นเดียวจากการที่เรารู้จักมองให้มันเลยจากปรากฏการที่เห็นอยู่ต่อหน้าว่าในร้ายมีดีเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสําคัญ แต่ว่าจะทำงันได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่กับเราเสียก่อนหลายคนเนี่ยแม้มีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวหรือเกิดขึ้นกับตัวเองแต่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ง่ายนะที่จะบ่นว่าเราโชคไม่ดีปีนี้เป็นปีไม่ดีสำหรับเราเลยเพราะเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดี ไอ้สิ่งดีมีอยู่แล้วก็มากด้วยแต่มองไม่เห็นนะมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขียนคำอวยพรให้กับเพื่อนอีกคนเนึ่งในากาปีใหม่ขอให้เธอเห็นความสุขนะเธอไม่ได้เขียนว่าขอให้เธอมีความสุขนะแต่ขอให้เธอเห็นความสุขแปลว่าอะไรแปลว่าเธอมีความสุขอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเธอจะเห็นหรือเปล่าขอให้เธอเห็นสิ่งดีๆที่เธอมีอยู่ ไม่ได้บอกว่าขอให้เธอพบแต่สิ่งดีๆนะเพราะว่าเธอพบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเธอจะเห็นหรือเปล่าเรามีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวเราหรืออยู่กับเราเช่นพ่อแม่คนรักมิตรสหายที่มีน้ําใจกินอิ่มนอนอุ่นมีบ้านไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพดีเดินเหินได้ตามองเห็นนะสมองยังความจําไม่เลอะเลือนไปไหนมาไหนก็เดินได้นะสะดวก นะไม่ต้องอาศัยรถเข็นมีงานมีการมีลูกที่น่ารักบางคนมีความทุกข์นะเพราะว่าลูกไม่ได้เรียนหมอขณะที่บ้านนะที่อยู่ติดการลูกเขาเรียนหมอไอ้ลูกเราไม่ได้เรียนหมอทุกพ่อลูกทั้งที่ลูกเนี่ยเป็นคนที่ดีมีน้ําใจไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เกลียดเมล็เกเรก แล้วเขาก็รู้ว่าเขาชอบอะไรเขาได้เรียนในสิ่งที่เขาใฝ่ฝั น, นเขาอยากเป็นสถาปนิกเขาอยากเป็นครูแล้วเขาก็เลือกที่จะเรียนเพื่อสนองความใฝ่ฝันของเขาเท่านี้ก็น่าจะมีความสุขแล้วสำหรับคนเป็นพ่อแต่พ่อมองไม่เห็นตรงนีพออง้พ่อมองเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนหมอเหมือนเพื่อนบ้านหรือเหมือนเพื่อนร่วมรุ่น ถ้ายังมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ไม่เป็นเนี่ยนะปีไหนปีไหนก็เป็นปีชงทั้งนั้นแหละเพราะจะเห็นแต่สิ่งแย่ๆ แ, แต่ถ้าเกิดว่ารู้จังมองเป็นนะเริ่มจากมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ก่อนต่อไปสิ่งไม่ดีก็มองเห็นด้านดีของมันด้วยตกงานก็มีประโยชน์เหมือนกันนะทาให ได้เห็นได้ไปมีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยเคยถูกไล่ออกนะจากตำแหน่ง CEO ที่ในบริษัทที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนก่อตั้งคือ Apple Apple เ t e v e นี่ยสตีฟจ็อบส์นี่ตั้งขึ้นมานะแต่พอได้เป็น CEO ปรากฏว่าทำงานผิดพลาด กรรมการบริษัทซึ่งตอนนี้เป็นบริษัทมหาชนแล้วก็เลยยื่นซองข่าวบอก็าเจ็บปวดมากเลยนะออกจากต้องถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างแต่พอเขากลับไปทำบริษัทใหม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องของการบริหารธุรกิจบริหารองค์กร ถึงเวลาที่ Apple เพียบหนักและเรียก Steve Jobs กลับมานีเขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะเพราะว่าเขามีประสบการณ์เยอะก็สามารถทำให้ Apple นี่กลายเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วกลายเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์เป็นระดับหนึ่งของโลกในเวลาไม่นาน Steve j o อ s พูดถึงการที่เขาถูกไล่ออกในเวลานั้นในเวลาสิบปีก่อนนั่ น, นั้นวันเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับชื่อของเขาถูกไล่อ้อนี่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างเดียวนะมันสามารถจะนำความสำเร็จมาสู่ตัวเขาได้ในเวลาต่อมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะทำให้ช่วยเราแย่มันสามารถจะ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเราหรือทําให้เราประสบความสําเร็จความเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะสามารถจะทําให้เราพบสิ่งดีๆในชีวิตก็ได้หรือพศจธรรมอย่างหมอกริตไทยนะที่พูดเมื่อสองสมันก่อนที่เป็นมะเร็งปอดระยะสีตั้งแต่อายุ28ทั้งที่ชีวิตกําลังจะรุ่งเนี่ยเพราะว่าความเจ็บป่วยมันก็ทําให้เขาได้เห็นอะไรหลายอย่างนะเช่นทําให้เขารู้ว่า ความสงบคือความสุขทําให้รู้ว่าชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่มีคุณค่าทําให้รู้ว่าชีวิตธรรมดาเนี่ยคือชีวิตที่มีความหมายว่าพวนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสาหรับเขามากเลยละจะไม่เห็นจะไม่รู้เลยนะถ้าว่าไม่เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาในวัยนั้นนั้นสิ่งที่แย่เนี่ยมันก็สามารถจะเป็นสิ่งที่ดีหรือให้ผลดีในเวลาต่อมาได้ ฉะนถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันก็ไม่แปลว่าปีนั้นมันปีที่ซวยเป็นปีที่แย่เมื่อเวลาผ่านไปย้อนกลับมายัางปีนั้นอา จ, จรู้สึกขอบคุณอา จ, จรู้สึกว่ามันเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งก็ได้ฉนั้นก็เถ้าเกิดว่าเรานะรู้จักเริ่มต้นใหม่ด้วยการทําความดีทั้งกายวาจาใจเราก็รู้จักมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัว ต่อไปเราก็สามารถจะมองเห็นสิ่งแย่ๆว่ามันมีดีอะไรบ้างแล้วมันก็จะเปส่วนทำใหนะ้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับเราได้เป็นปีที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวหรือเลิกหรือคำทักของหมอดูแต่เป็นปีที่ดีได้เพราะฝีมือของเราเองแล้วก็พูดแต่เพียงเท่านี้อ่ากลับพร้อมกัน